พาสิตังปิเจตังภควตามะมังวาพิกเวปรเรวั น, นังพาเสยยุงธัมมัสวาสังคัสวาวั น, นังพาเสยยุงตัตตะตุมเหหินะอานันโทนะโสมนัสสังนะเจตสาขุภิลาวิคตังการนิยันติอะทโขมิลินโธ ร, ราชาในลำดับนั้น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 ถ้าท่านทั้งหลายมีจิตชื่นชมยินดีในถ้อยคาที่ชนทั้งหลายกล่าวสรรเสริญซึ่งเราผู้ตถาคตก็ดีและยินดีโสมนัสในถ้อยคาที่เขากล่าวสรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีอันตรายเจะพึงมีแก่ธรรมวิเศษคือฌานสมาบัตมิมรรคผลที่ท่านทั้งหลายจะพึงได้โดยแท้นี่แหละสมเด็จพระศาสดาตรัตเทศนาห้ามป ร, รามพระสงฆ์พุทธบริษัท มีให้ยินดีโสมนัสในความสรนเสริญชนีดแล้วครั้นภายหลังเสลรพราหมปเฝ้าพระผู้ทรงพระภาคเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสสันเสริญคุณของพระองค์ให้เสลรพราหมีฟังอานันท์ที่โตมีน้ำพระทัยชื่นชมยินดีที่จะสรนเสริญกำเริบที่จะสรนเสริญเองและยกพระองค์ว่าเป็นพระยาธรรมราชอนุตตรโรว่ายิ่ง หาสิ่งที่จะเสมอไม่ได้โดยยังพระธรรมาจากให้เป็นไปคือตรัสพระธรรมเทศนาโปรดเวไนนิกรเทพยดามนุสโลกโลเกอัปติวัตติยังหาผู้ใดในโลกนี้จะปูนปานดุดพระองค์ไม่ได้นี่แหละพระพุทธองค์มาสันเสริญพระองค์เองดังนี้ถ้าจะเชื่อเอาพระพุทธดีกาเดิมที่ตรัสว่าคนทั้งปวงสรเสริญพระตถาคต และสันเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีท่านทั้งปวงอย่ายินดีอย่าให้จิตกำเริบไปในที่สรนเสริญนั้นถ้าจะเชื่อคำเดิมนี้คำภายหลังที่พระองค์ตรัสสรรเสริญพระองค์ให้เสลรพรามฟังนั้นก็ผิดครั้นจะเชื่อเอาว่าพระองค์สรรเสริญพระองค์ว่าเป็นถึงพระยาธรรมราชไม่มีใครทั่วทั้งมนุษย์เทพาฟ้าดินที่จะเปรียบเสมอเหมือนหาไม่ได้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 เป็นถึงพระยาธรรมราษแล้วให้อวาดพระภิกษุทั้งหลายมิให้กระทาจิตวุ่นวายในความสันเสริญกําเริบในความสันเสริญเป็นอย่างไรจริงกระทำฉะนั้นอายังปันโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติโกเป็นอุพะโตโกติตยาวิสัชิโตพระผู้เป็นเจ้าได้โปรโดวิสัชนาในการบัดนี้เถโร ฝ่ายพระนาคเษนผู้ประกอบด้วยยาณปฏิสัมพิทาจึงมีเถระวาจาวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรอบอพิษพระราชาสมภารคำเดิมที่สมเด็จพระโลกรุตามาจารมีพระพุทธดีกาประธานโอวาทแก่ภิกษุทั้งหลายว่าถ้าชนทั้งหลายจะสันเสริญตถาคตก็ดีและสันเสริญพระธรรมพระสงฆ์ก็ดี ท่านอย่ายินดีในความสันเสริญอย่าให้เขาสันเสริญตัวท่านและท่านอย่าดูย่างอย่าได้ทําจิตคิดกำเริบที่จะสันเสริญตัวและให้ผู้อื่นสันเสริญท่านสมเด็จพระโลกุตมาจารย์ให้อวาสชนีและข้อที่ว่าสมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้ากล่าวสันเสริญคุณของพระองค์อันเป็นยถาภูตะคือคุณมีจริงเป็นอุตริยิ่งกว่า